ท่านเปนนบัญรอสุลากาวว่าข้าดอื้อตุลามูซา مرة أخرى. أخرى. ولا قدمنا ن عليك مرة أخرى. إذ เอาไปน่าอีล م อุมิกามายห อัน قضي فيه في التبوتي فقضيه في الям فاليلقيه اليم بالساحل يخذه عدو لي وعَدُوا และขวัญตัวอักษรที ت ค ن ณ على عيني ي ك ف ل إذا تمشي أختك فتقولها: أدل ك م على ما يكفلو. وَرَجَعْنَاكَ إلَى أُمِّكَ كَيْتَ قَرْعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ و ق ت ل ت نفسا فنجيناك من الغم وفتحناك ف ن و ن ا wala ب บิษต s สิ a ีน a ฟีอัลลิมัดยันทุ่มมาจิตต์อัลลอฮฺกัดดารีทัมมาจิตต์อัลลอฮฺกัด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 اللهم ب ِ ك a أ َ k a أصبحنا و, و ب ِ ك a أمسينا و ب ِ ك a نحيا و ب ِ ك a نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي ُ ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دين วบิมูฮัมมัดรัสูละ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พีน้องที่ร่วมนมาตซุกทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานะครับที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนอมาดอนวันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับยังมีเวลาอีกคับ ไม่วันนี้หรือภูนี้นะครับก็ต้องจากเดือนร م a d a n ไปในสมัยท่านนาบีนี่นะครับบรรดาสหบัติของท่านนาบีเนี่ยพอเดือนร م a ร a n จะออกเนี่ยเขาเสียใจกันเพราะว่าโอกาสที่จะหาความดีตักตวงความดีเหมือนเดือนรมด d เ น, นี่ยหมดแล้วเขาเสียใจไปณนอ้อง เมื่อออกจากเดืดอน رمadan ไปแล้วสิ่งที่บรรดาสัฮาบะนบีทำซึ่งเราควรที่จะเอารูปแบบนั้นมาใช้พวกเขาขออนุญาติติดต่อกันอีกหกเดือนโออัลลอฮฺโปรดรับการถือสินอดของของฉันด้วยเถิดโปรดรับความดีที่ทําในเดือนรอมฎอนด้วยเถิดความดีที่ทําในเดือนรอมฎอนมีอะไรบ้างเช่นอ่านกุรานซิกรุลล๊อ ยะติกาฟที่มัสยิดเนี่ยนั่งแข่ชั่วโมงหนึ่งกวเนี่ยยะติกาฟได้แล้วก็ทำความดีอื่นๆอีกเินจาโโ่ายซดก็ตักอาหารให้อาหารกับผู้ที่ละศิลดเนี่ยความดีทั้งหมดเหล่านี้โออัลลอ์รับความดีและตอบแทนรางวัลให้แก่ฉันด้วยเขาขอทูงอา น, นานถึงกี่เดือนนะหกเดือน นี่ไงรูปแบบของคนซอเละเ์ใรว่าซาลับซาเลหบรรดาสบาบ้านบบีเราเรียกว่าซาลับซาเละคนยุคโกนที่ดีซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยใกล่าวใน ก, นกรารพิจาอ่านมีหลายอายะ์ที่บอกว่าให้เรามองดูบุคคลตัวอย่างในอดีตแล้วก็นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه ะกตาลานะที่เราได้ทบทวนคุราน นี่วันนี้มาถึงสูรอที่ยี่สิบนะพี่น้องลฮามยุลินละในคุรานมีทั้งหมดหนึ่งรอยสิบสี่สรอนี่เพิ่งไปหมดไปยี่สิบสุร้อก็ยี่สิบปีก็ไปแล้วอีกไม่กี่ปีก็อินนาลิลานแล้วนายรอยิรอจิอูนก็แล้วพี่น้องเอาละเราก็ทำความดีเท่าที่เราสามารถที่จะทำความดีได้กุรานตรงไหนฟันตตะกุลลอฮามัสตะตอตุม ท่านทั้งหลายจงรำเก่งต่ออัลลอฮ์เท่าที่ท่านมีความสามารถนะครับอัลลอฮ์ให้กำลังเราแค่ไหนเราก็ทำความดีแค่นั้นนะครับวันนี้มาถึงอยายะที่35นะครับอยายะที่ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องนบีมูซาอะลัยฮิสลานะครับทวนของเก่าเล็กๆน้อย นบีมูซาขออุาิต่ออัลลอฮ์เนี่ยห้ารายการขอห้ารายการอัลลอฮ์รับไหมรับหมดเลยทั้งห้ารายการขออะไรบ้างครับรับบิชรหฮลีอดดรีนี่เป็นตัวอุทิของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแปลว่าอะไรครับรับบิชรหฮลีซอดดรีแปลว่าข้าแต่พระผู้อาภิบาลของฉัน เพื่อหน้าที่ตับลีกดาว า, าศาสนานี่นะได้ทรงโปรดเปิดอกของฉันเปิดอกของฉันให้เพิ่มพูนความรู้คำว่าเปิดอกนี่ก็คือให้เพิ่มพูนความรู้แก่ฉันดุอาบทแรกที่นบีมูซาขออัลลอ์รับไมรักครับรอบบิชรหพลีซั ด, ดรีโออัลลอ เพื่อทำหน้าที่ได้ว่าอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทรงโปรดเปิดอกของฉันเพิ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับฉันด้วยเธอเอลัลลอเปิดครับเรื่องที่สองวายัสิซลีอัมรีและได้ทรงโปรดทำให้การงานของฉันนั้นง่ายได้แก่ฉันด้วยเธอมาทีง่งานศาสนาเนี่ยยมีอุปสรรคเยอะ อุปสรรคมีไหมแน่นอนอุปสรรคมีแน่ๆไม่มีอะไรที่จะไม่มีอุปสรรคเท่ากับงานดาว่าหรอครับงานดาว่าเนี่ยอุปสรรคทุกชนิดเลยครับเพราะเป็นงานที่สำคัญที่สุดและเป็นงานที่ดีที่สุดและเป็นงานที่ยากที่สุดและมีรางวัลตอบแทนจากออลลอมากที่สุดงานอื่นเนี่ยรองลงมานะงานศาสนานี่ยยิ่งใหญ่มากเลย ขอเรื่องที่สองทำให้งานของฉันง่ายได้แก่ฉันอัลลอฮ์รับไหมรับครับขอขออันที่สาม <c oughs> วะฮุลุนอุบดะตามมิ ล, ลิซานียัฟกาวกาลีเรื่องที่สามได้ทรงโปรดแก่เงื่อนจากลิ้นของฉันแก่เงื่อนจากลิ้นของฉันเนี่ยอุบดะแปลว่ามีปมอยู่ที่ลิ้นแมก็ว่าอับดุลโมซาร์ในพู้จา ไม่ไม่ชัดสาเหตุที่ไม่ชัดเพราะว่าเอาทานเนี่ยใส่ไปในปากตอนเล็กๆอายุสองขวบอะ่ะแล้วอุปสรรคก็แต่วันนั้นถึงอันถึงถงเป็นผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดไม่ชัดเลยขอหนูอาร์ตเร า, าว่าให้ฉันได้พูดจาคล่องๆหน่อยอลัลลอฮ์รับไหมรับครับพูดจาคล่องเนีดีไหมดีแต่ต้องผ่านการขอหนอาก่อนใช่ไหมนี่ข้อที่หลายข้อที่สาม ข้อที่สี่วัจะอันลีข้อที่สี่ข้อที่สมเพื่อให้คนฟังเนี่ยเข้าใจง่ายๆ ย, ยัฟกอฮูเกาลีเพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจภาษาของฉันง่ายๆฉะนั้นการสอน ศ, ศาสนานี่พูดง่ายๆดีที่สุดคนใจเข้าใจง่ายเอาเอาคนที่ตั้มนาพิกอยู่ในครัวเข้าใจนั่นแหละดีที่สุดแหละพูดยังไงให้ภรรยาที่อยู่ในครัวเนี่ยเข้าใจเลยนี่แหละ ถ้าสามารถพูดศาสนาให้ภรรยาที่อยู่ในครัวเข้าใจศาสนาแสดงว่าคนนี้เป็นนักด่าว่าที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าฟังจะมึนๆอยู่นู้นผู้อะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นไม่ใช่นักด่าว่าที่ดี ด, าาด่าว่าดีๆมันต้องพูดแล้วแม่บ้านที่อยู่ในครัวเนี่ยเข้าใจเลยนะครับข้อที่สี่วะอาลีวะซีรอมมินอะฮีข้อที่สีนี้ แปลว่าได้ทรงโปรดให้คนในครอบครัวของฉันเป็นผู้ช่วยเหลือของฉันด้วยเถิดเห็ไหมขอให้คนในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือฉันนี่สรุปว่านักการาศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาในคนในครอบครัวมาช่วยแต่ดูอาข้อที่สีเนี่ยนักการเมืองเอาไปใช้ขอยืมอะลรกูอ่ า, ออานนี่ไปใช้นักการเมืองเก็บหมดเลยนะคะแนนเนี่ยเด็กมันก็เก็บ ภรรยาก็เก็บคนที่นานไหว้ด้านมาไหว้หมดอ่ะขอคะแนนหมดเลยแล้วก็หาคนช่วยอ่าคนคนใกล้ชิดเอามาช่วยทำไมต้องคนใกล้ชิดตับซีภาษาอุร ด, ดูนี่ทันสมัยน่าดูเลยก็บอกว่านักการเมืองตัวเอาคนใกล้ชิดเอาไว้เก็บเงินเก็บทองตัวเองเวลาได้มาจากจากไหนก็ตามแต่จะเองเก็บเอาไว้เองเก็บเอาไว้ยาจะใส่ซื่อฉัน ใส่ชื่ออะไรนะใส่ชื่อคนใกล้ชิดเนี่ยตับซิดโอลมะอินเดียนี่ทันสมัยแต่ดูอาร์ข้อที่สีเนี่ยบรรดาอุลมาจริงๆ ไ, ได้นำอมมาใชาันักการเมืองอ น, นําำอภิชาญหมดเลยให้คนใกล้ชิดเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับนักการเมืองแต่โอลมะต้องต้องนําแล้วต้องนําเอาคนใกล้ชิดเนี่ยเรียนศาสนาเยอะๆแล้วก็เป็นผู้ช่วยตัวเองนะ ต่อมาครับวัชริกฮูฟีอัมรีและได้ทรงโปรดให้เขามีส่วนในกิจการของฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์นี่เขาขอมันห้าข้อเนี่ยนะให้เขาได้มีหุ้นส่วนในการเผยแพร่าศาสนาของฉันด้วยเถิดและอีกข้อหนึ่งไกนุซับบีฮากากาซีรอวันนัสกูรุกะวันนัสกูรอกากาซีรอเพื่อเราจะได้สะดุดี จะได้แท้ซองสารเสริญอัลลอฮ์อย่างมากมายและเพื่อเราจะได้ล้ำลึกถึงพระองค์อย่างมากมายนี่นะการขอดุทิศของนบีมูซามีทั้งหมดหข้ออัลลอฮ์รับหมดเลยอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปอีกนะครับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านมุญาฮิตได้อธิบายในตับเซตเนี่พูดถึงเรื่องการิืเกตถึงอัลลอฮ์นะการสืเกตถึงอัลลอฮ์เนี่ย ท่านบอกว่าล า, ากูนุลอาบุมินาซาคีรินอัลลอฮะกัสีรอนบางคนหนึ่งจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอ์มากจนกว่าเขาจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ในสามท่าด้วยกันรำลึกถึงอัลลอ์ในสามท่าถึงจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่รำลึกถึงอัลลอ์อย่างมากมายสามท่ามีอะไรบ้าง ท่าที่หนึ่งยาสุรุลละหะกออิมันในท่ายืนก็ท่านามาต้องเรานี่แหละมีอยู่ท่านึง่งเขาเรียกว่าท่ายืนใช่ไหมใช่ท่าที่สองก่อไอดันท่านั่งท่านั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ไหมได้เราก็ทํากันอยู่นี่ไงนั่งอ่านตัปซีกุรอานนั่งอ่านกุรอา น, นก็ท่านั่งอยู่แล้วใช่ไหมและอีกท่าหนึง่งมุตตาะจอานท่านอนตะแคง ถ้านอนตะแคงเนี่ยเราไม่ค่อยจะจำลึกถึงอัลลอฮ์เท่าไรเพราะเอนหลังหลับเลยฉะนั้นถ้าที่ดีนัน่นแหละท่านนอนตะแคงนัน่นแหละก่อนจะหลับก็คือก็อ่านเนี่ยอัลลอฮุลาะิลาะฮิเลาะฮุลฮะยุลกอิยูมละแทคุดุฮุซินตุนวละน้ามละฮุมาฟิลสัมาวะติวมะฟิลอาร์มันตะลลิยฟญชฝางเดฮุอิลลาบิอิษนี ย َعْلَمُ مَا بينأيديهم وماخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه ا ل س م ا ِ والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم นี <ت> ่อ <ص في> ่า <ق> นคุณอานตอนนอนตะแคง่ได้ไหมได้ แล้อีกอย่างนั้นก็คือสุบฮานอัลลอฮฺุบฮานอัลลอฮสุบฮานอัลลอฮตอนนอนตะแคงขวาน่ล่ะสุบฮานอัลลอฮสุบฮานอัลลอฮอีกสามสบสามอัลลอฮอัลกอีกสามสิสาแล้ว่สุบฮานอัลลอฮดละอ oh. ัลลอฮอักแบบนั่งตะบีนี่แหละานอนก็ทำด้วยเพราะฉะนั้นสามท่านี้เราทำแค่สองท่าไอ้ท่าตะแคงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ส่วนใหญ่พอตะแคงหลับท่านอย่าเพิ่งหลับนะครับ ให้ลึกถึงอัาาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ฉะนั้นคนหนึ่งเบาคนหนึ่งจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอ์มากจนกว่าเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในสามท่าด้วยกันท่าที่หนึ่งท่ายืนท่าที่สองท่านั่งท่าที่สามท่านอนตะแคงนอนตะแคงเนี่ย ต้องนอนตะแคงตามสุนห์า น, นาบีนะต้องนอนตะแคงขวาคนตายก็เหมือนกันนะนอนตะแคงขวานะถูกที่สุดนะแต่เราเนี่ยจับคนตายนอนหงายมาตลอดมันตอนตะแคงตอนจะฝังโลงอย่างเดียวความกิงตอนนอนนอนตะแคงบนที่นอนเนี่นะก่อนก่อนที่จะห่อเนี่ยให้นอนตะแคงขวาด้วยตามสุนห์า น, นาบีไหนะนอนทังนั่น สังเกตพวกเราเนี่ยเยวลาตายแล้วเนี่ยเอาทัศน์อิมามชฟอฟีมาใช้หมดเลยเอาหัวไปทางเนี่ยทางทิศ ต, ตะวันขึ้นแล้วเอาหัวขึ้นสูงๆหันหน้าไปทางกิบลัตนะ่ะนั่นเป็นทัศน์อิมามชอฟีอนีนะของนบีจริงๆเนี่ยต้องนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัดเนี่ยมุตตเจอันนอนตะแคงขวานะครับก็ไม่มีใครทํากันนะนะ ว่าพวกเรามันยึดมาตทธับชาฟีมากกว่าสุนนะนบีใช่หรือไม่ใช่ถ้าหลายคนก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเนี่ยเป็นทัศนอัหมามชาฟีนะไม่รู้นะเอาหัวไปทางเนี่ยไปทางทิศ ต, ตะวันขึ้นอ่าแล้วก็ยกหัวขึ้นสูงๆเอาเท้าไปไปเก็บประหลดัดแน่นมาเช่ของนบีของใครนะของท่านอิมามชาฟอีหรือให้มาฮุาลลอท่านเสนอเอาไว้เท่านั้นเองไม่ได้บังคับ ใ, ใครทําตามนะ อธิญี่นข้อที่35สำหรับวันนี้นะครับเรื่องทั้งหมดที่นบีมูซาขอมาเนี่ยห้าข้อเนี่ยอลัลลอฮ์ตอบว่าไงนะอินนากะกุนตะบินาบาซีรออินนากะกุนตะบินาบาซีรอแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเห็นที่ขอมาเนี่ย เห็นหมดว่าน บ, บีมูซาขอห้าเรื่องเนี่ยให้ไหมให้แล้วก็แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเห็นตอนนี้สิฟัตอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่นะมีทั้งหมด99้าพระนามแต่ที่อัลลอ์พูดบ่อยๆเลยมีอยู่สามสิฟัตนะในกัมีกรุงอ่านเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดหนึ่งอัลลอ์ทรงเห็นทรงเห็นการกระทาของมนุษย์ทั้งหมด อลัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทําของนบีมูซาทั้งหมดอลัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทําของบ่าวของมนุษย์ทุกคนเรื่องที่สองอลัลลอฮ์ทรงรู้ความต้องการของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นต้องการอะไรอลัลลอฮ์รู้หมดเลยหนึ่งทรงเห็นสองทรงรู้อันที่สามอาลัลลอฮ์ทรงได้ยินนะครับทรงได้ยิน คำพูดหรือนึกที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนนะ่ะนึกเรื่องอะไรแล้วพูดเรื่องอะไรอลัลลอฮรู้หมดเลยสามสิฟัเนี่เป็นสิฟัตที่ยิ่งใหญ่ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินนี่ถ้าเรานึกถึงอลัลลอฮเยอะๆนะในสามเรื่องนี้นะทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินกล้าทำผิดไหมแหละไม่กล้าเราไม่กล้าทำผิดถ้านึกสองเรื่องสามเรื่องนี้นะทรงเห็นทรงรู้ ทรงได้ยินนะครับาฉะนั้นอินนาเกกุลตาบินาบาซีรอแท้จริงพระองค์เป็นสู้ทรงเห็นในอายาอื่นทรงรู้แล้วก็ทรงได้ยินมีอยู่สมรายการด้วยกันต่อมาอายาที่36ก็ด ก็ลก็ดก็ก็ดอูตีตาสุลกายามสะอ์นี่อาย่นี้สบายใจพี่น้องแปลว่าอะไรครับก็ลหมายถึงอัลลอฮ์ตรัสว่าอัลลอฮ์พูดพูดว่าไงก็ดอูตีตาแท้จริงเราได้อูตีตาแปลว่ารับ หรือว่าทรงรับคําขอสุลกะาแปลว่าคำคำคําขอสุลกามาถึงสุอาลูกะรับคําขอร้องของท่านโอ้มูซาเอ๋ยอัลลอฮฺตัดว่าแน่นอนเราได้อนุญาตรับคําขอร้องของท่านแล้วมูซาเอ๋ยตกลงว่าที่ดูอามาห้าข้อน่ะรับหรือไม่รับรับแล้ว นี่ท้ามุซาเห็นอาญานี้นะยิ้มออกไหมอ๋อำยังดีลลาาเลยอ๋อรับแล้วนี่อัลลอ์ต้องการจะบอกว่าของที่คุณขอฉันรับหมดและอของที่คุณไม่ได้ขอมีไหมมีตั้งเยอะฉันให้ทั้งทั้งที่ไม่ได้ขออาญาไหนที่ให้โดยไม่ได้ขอนะ่ะต่อไปอาญาที่สามสิบเจ็ด ว่าล้ก็เดินนานา عليك مرة อีกครัตรงนี้ต่างหากพี่นอ้องอายาที่สาสบเจนี่แหละแปลว่าอะไรครับว่าแล้วก็เดนนานา عليك มาร์รตันอุครอและโดยแน่นอนยิ่งเราได้โปรดปรานแก่ท่านมานันนาะแปลว่าเราได้โปรดปรานแก่ท่านแก่น บ, บีมูซานี่นะ อะไรกะแก่ท่านแล้วโดยทีทรรยย่ท่านไม่ได้ขอคำบรรยายก็คือท่านไม่ได้ขอเราก็ได้ประทานให้แก่ท่านแล้วท่านไม่ได้ขอเลยนะที่ขอนะหาหขอ้อไอ้ที่ไม่ได้ขอนะมีเยอะไปหมดนะเราประทานให้กับท่านทาั้งๆที่ท่านนะไม่ได้ขอมารรัตันอุครอนะครับในเรื่องอื่นๆ อ, อ, อีกอนะ่ะ ในเรื่องอื่นๆที่ท่านไม่ได้ขอฉันให้ไหมให้อะไรบ้างอายาคุรอ่านต่อมานี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺประทานให้กับนบีมูซา่ทาทั้งๆที่นบีมูซาไม่ได้เคยขอสักนิดหนึ่งไม่ได้ขอฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันเพราะอ่านคุร์อ่านอาย่านี้ต้องต้องนึกที่เราขอเนี่ยกี่เรื่องวันนี้ไม่กี่เรื่องหรอกที่คือขอก็ขอให้รวยใช่ไหม อ้าวจะขอให้รวยให้มีบ้านมีรถมันจะดูเหมือนคนอื่นนี่มุสลิ ม, มามา ย, ยู่คนนั่งอยู่นี้อยาามีมั ส, สยิด ท, ที่จังหวัดไหนนะอามาร้อยเอดก็ขออย่างสวเราอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ได้ขอนะนบีมูซาก็เหมือนกันที่นบีมูซาเอยเอย่าลร้อนเล่านันมีอยู่หเรื่องที่ขอหลายเรื่องก่อนๆ น, นั่นอะ่ะไม่ได้ขอเลยแต่อัลลอฮ์ให้เอาง่ายๆเอาละกันนะฮูน่าเคยขอมานนะเรา หูตาจมูกร่างกายทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยใครเคยขอบ้างไม่ได้ขอเลยสันิดหนึงอัลลอฮ์ให้อแล้วก็ความรู้เราก็ไม่ได้ขอเท่าไรคุณอ่านเราก็ไม่ได้ขอให้อ่านคุณอ่านชัดถ่อยชัดคํำเราไม่ได้ขอไปเนาะแต่อัลลอฮ์ให้ให้ให้ให้ให้ตัวรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้กับเราทั้งๆังที่เราไม่ได้ขอมากกว่าสิ่งที่เราขอขนาดอัลลอฮ์ไม่ได้ขอเนี่ยให้และของที่ ที่เราขออลัลลอฮฺยงไม่ให้ไอาการให้กับอลัลลอเป็นอย่างนี้บางทีให้ชาดวงอาที่เราขอเรามีอยู่หรายการพี่น้องนี่เป็นสูตรได้นะแน่นอนนะหนึ่งขอแล้วได้เลยขอปับ๊บปับได้เลยเราได้กันได้กันหมดแล้วส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดนะอลัลลอฮฺให้เลยนะขอปับ๊บเนี่ยได้เลย ขออันที่สองขอแล้วได้ช้ากว่าจะได้นี่ช้ามากอ่าบางคนขอจะได้แต่งงานเนี่ยต้องสิบปีกว่าจะได้กว่ามีนะ่ะอย่ารออย่าได้ภรรยามีผู้ชายอยู่คนบังเล่าเล่ามาอีกทีหนึ่งมีภรรยาอยู่คนหนึ่งโขาทราบปัญหาผู้หญิงคนผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งงานกับภรรยาก็มาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาเลยสงสัยว่าทําไมอ่ะ อา้าวเนี่ยกว่าจะได้ภรรยามาในฉันขอมาประมาณเจ็ดแปปีไปจีบใครก็ไม่ได้ขอใครก็ไม่ได้ผลสุดท้ายต้องไปขอที่มักกะไปทําอุ้มระองหลายเที่ยวไปเดินตะวา่อาลอลาวจะอยากได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเ อ, อ่ยชื่อด้วยเดินตะวา่าขอไปขอไ ป, อไปกลับมามากคุณมาขอเสร็จแล้วได้พอได้ในกา จ, จบแล้วนะถ้าภรรยาพูดใจแรงๆหน่อยก็นึก อ๋อหฉันจะมาทะเลาะกอับนางทะไมกว่าจะได้มาในกี่ปีเจ็ดแปดีฉะนั้นแค่พูดจาไม่ขูนิดหนึ่งฉนันให้อภยัยและอยู่กันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยเพอะจะมีปัญหาเดินออกนอกบ้านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับบ้านก็หายทำไมไมาทะเลาะอ้อายอ๋ลหอกกว่าจะได้มามันลำบากแสนลำบากฉะนั้นจะต้องประคองให้ดีจนกว่าจะตายดีไหมอัลหมดุลลอ์พี่น้อง ฉะนั้นอะไรที่เราได้มาจากยากนะอะไรที่ได้มาผ่านดวงตาต้องดูแลให้ดีไปนองอะีรเป็นขอเป็นกําลังใจนะให้กับพวกเรานะถ้าจะมีของใหม่ที่ดีๆนะอินชาอัลลอฮ์ทำไงานนะประคองให้ดีเพราะจะได้มามันก็ยากเหมือนกันนะครับตกลงว่าเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบนีบมูซาสิ่งที่นบนีบมูซ่าไม่ได้ขอมีอะไรบ้างอยายะห์ที่38 อิจอาหายนาอิลาอุมมิกาไมยูฮาอิจอาหายนาอิลาอุมมิกาไมยูฮาเมื่อเราได้อวะฮีเอาฮายนาแปลว่าเราได้อวะฮีอวะฮีแปลว่าดนใจเมื่อเราได้ดนใจใครรู้ไหมอิลาอุมมิก แม่ของมูซาแสดงว่าอัลลอให้กับนบีมูซาก่อนที่มูซาจะเกิดโดนใจให้กับมะของนบีมูซาในแม่เธอนะ่ะนโดนใจให้แม่เธออิลาอุมมิกะนะครับโดนใจกับนานดาของท่าน เรื่องที่ต้องว่ฮีมายู่ฮาเรื่องที่ต้องวฮ่ฮีเรื่องจะต้องดนใจก็คือหมายถึงเรื่องที่สําคัญให้กับท่านนั่ละต่ผ่านใครผ่านแม่อัลลอฮฺอักบารุณอัลลอฮ์สอนให้คิดอันฉะนั้นแม่กับเราเนะี่ยมีความผูกพันกันเยอะมากเลยเราต้องนึกถึงมะเราเยอะๆเหมือนอนักสรนบีมูซานคิดถึงแม่นะฉันเนี่นะ ประทานวาฮีให้กับแม่ท่านเรื่องของท่านแต่ผ่านแม่ท่านท่า น, นต้องนึกถึงแม่เยอะๆต้องขอดุอาให้แม่เยอะๆอย่าทะเลาะกับแม่อย่าด่าแม่ตัวเองให้ขอดุอาให้กับแม่ตัวเองเยอะๆพี่น้องนะครับคำว่าวหฮีเนี่ยนะอุลามาก็ อ, อธิบายอย่างนี้คำว่าวาฮีตามธรรมดานลอลเจะวหฮีให้เฉพาะคนที่เป็นนบีใช่ไหม วาฮีเฉพาะคนที่เป็นนบีเท่านั้นแต่ตรงนี้เนี่ยวะฮีให้กับคนที่ไม่ใช่นบีเอาได้ไหมได้คําว่าวะฮีไม่ให้ไม่ให้กับนบีก็คือว่าดนใจเช่นดนใจมะของนบีมูซาและอีกอย่างหนึง่งวาฮีเหมือนกันดนใจให้กับพึ่งนี่นะพึ่งที่ทํารังอยู่อย่างนี้นะ อัลลอฮ์ดนใจให้พึ่งตกลงว่าวาฮีให้กษัตริย์ก็มีวาฮีให้กับคนที่มาใช่นบีก็มีแล้วก็วาฮีให้กับผู้ที่เป็นนบีก็มีใช้ภาษาเดียวกันเขาเรียกว่าด้านลูร ว, วีด้านภาษาเท่านั้นเองไม่ใช่ด้านอิสติลาฮีนะไม่ใช่ด้านด้านภาษานะครับทีนี้วาฮีให้กับพึ่งจะทำยังไงครับในอัลกุรอานอธิบายเลยนะผมขอเ อ, อ่ยเลยนะ وأوحا ََْ ربك ََُّ إلى ِ النحل ْ إن الن ت َّ خ ِ ذ ِ من َِ الجبال َِِْ بيوتا ال ُُ ومن َِ الشجر ََِّ ومما ال ََِ ي, ي َ ع ْ ر ِ ش ُ و ن َัลลอฮเนี่ยสั่งให้พึ่งเนี่ยทำรังนี่ไว่หีให้พึ่งทำรังในสี่ที่ในสามที่ด้วยกันในโลกนี้มีแค่สามที่เท่านั้นแหละ แล้วก็พึ่งไม่ทรยศ ต, ต่ออัลลอ์เลยเชื่อฟังคำสั่งอัลลอ์หมดเราสบายไหมสบายเพราะพึ่งมีศาสนาพึ่งอ ي م ا ن อลัลลอ์อัลลอ์สั่งให้พึ่งทำรังในสามที่มันก็ทำในสามที่ทุวันนี้ 1. นึงทำที่ไหนยิบเลที่ภูเขา mountain พึ่งทำรังตามภูเขาใช่ไหมใช่ในกุรอานมีข้อที่สอง ว่ามินาชญาลีพึ่งทำรังที่ต้นไม้อ่าชาญญ์แปลว่าต้นไม้อีกที่นึงว่ามิมมายาริชูนและที่อะไรอ่ะเออเขาเรียกอะไรอ่ะที่ที่ร้านก่อ ร, ร้านเนี่ยที่ร้านน่นที่ที่ทำเป็นเป็นรังรังรเอาไว้ใช่ไหมตามต้นไม้เลื่อยๆ เ, เนี่ย มทาทำอยู่สามที่ด้วยกันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรนะสั่งพึ่งฉะนั้นสั่งพึ่งสั่งไกสง่สั่งนู่นสั่งนี่อัลลอฮ์สั่งหมดอัลลอฮ์โดนใจให้เนี่ยสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุญยาไปนี่เดินตามอัลลอฮ์สั่งทั้งหมดเลยมนุษย์จินดันทุรังที่สุดมันสัตว์นี่เชื่อฟังอัลลอ์อลามหมดเลยอดูไก่ขัน ขันตอนตีสี่โอ้โล้มันขันหน่าดูเลยถามว่าขันทําไมขันทําไมต้องการจะปลูกให้คนมานามาตในฮันดีสภาษาภาษานี้เลยนะลิยุกอรุสสอริยุกอรุอัลลิสสอร์แลเพื่อจะปลุกคนที่ให้ขึ้นมานามาตมาพักดีต่ออัลลอฮฺสุลตานหุวาดาระตัวล่วงว่าพูดในเรื่องวาฮีอย่างเดียวนะวาฮีให้กับนบีวาฮีให้กับบรรดาผู้ที่ไม่ใช่นบีมาถึงดนใจ แล้วก็วะฮีให้กับสัตว์ให้กับพึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เทนี้วะฮีให้กับคนที่มาใช้นบีก็คือมะของนบีมูซาอัลลอวะฮีดนใจแล้วก็วะฮีอีกมะของนบีอิซาอะ ล, ลัยฮิสซาดานนึกถึงนบีอีสานะมะของนบีอีสานะขอดนบีอีสซาที่ไหนนะที่โคนต้นไม้กี่คนคนเดียว เห็นไหมค้อดนบีอิสซาที่โค่ต้นอินพาลามคนเดียวเดี๋ยวนี้ค้อดกี่คนอ่ะรอในโรงพยาบาลนะสามสีหมอน่ะใช่ไหมนางพยาบาลอีกเครื่องมือครบชุดแต่อัลลอฮ์ให้นำนางมารยามคขอด์จะมีอิสซาโค่ต้นอินพาลามคนเดียวแล้วก็พระเจ้ให้ขยาต้นอินพาลาม และให้อินทภมที่ร่วงลงมาเนี่ยนั่นแหละเป็นการไม่ให้เลือดตกที่ดีที่สุดกินอินทภมอัลลอฮฺอักบะดหมดลูกเข้าอู่ไว้ที่สุดดีที่สุดอัลลอฮฺให้เห็นแล้วอวันนี้แมว่ขอดลูกกี่คนสุนัขวัวควายแพะแกขอดลู ก, ล ก, ลกคนเดียวไม่มีหมอตำแยด้วยนะไม่มีอะไรเลยนะแต่มันยังขอดมาแบบสง่างามเละ และเราเนี่ยมีทั้งนู่นทั้งนี้เยอะแยะเป็นบทแต่ทรยศ ต, ต่ออัลลอฮฺสุภาโนวัดอะลาน่าเสียใจในกันเป็น้องนะอืออีกเรื่องหนึง่งอัลลอฮฺสั่งพึ่งนะให้หาอะไรนะให้ไปดูดแกสอนนาที่ไหนเป็น้องให้ดูดจากผ ล, ลไม้แล้ะพึ่งมันก็ดูดเพราะเนี่ยไปเอาน้าพึ่งมาอะไรมาใช่ไหมไปดูดไปดูดอาหารมาจากดอกไม้ทั้งหลาย และอัลลอฮสุลตานกีกุลอานว่าไงนะชีฟาอุลลินนัสน้ำผึ้งนั้นเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเป็นตัวยาที่มีประโยชน์มากต้องการให้ดูตัวผึ้งเพราะผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมองแต่ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์เยอะเหลือเกินและเรามนุษย์เนี่ยทำอะไรให้ใครบ้างมีอยู่คนหนึ่งท่านเสียไแ้าบอกว่ า, มาแมลงเนี่ยมันตายในหนังสือ เราปิดหนังสือไว้เนี่ยสักปีสองปีเราไปเปิดดูนะมันยังทิ้งรอยดําๆมาไว้นั่นสัตว์นะมันยังทิ้งรอยดําๆไว้ในหนังสือแล้วเราเนี่ยมีอะไรรอยอะไรไว้บ้างสําหรับโลกดุจยาไปนี้สําหรับคนรุ่นหลังน่าคิดฉะนั้นควรจะเป็นประโยชน์ให้กับสังสมคมจะทำดูลีลาเอาใครมีตางก็สร้างสุราวนี่เขาจะขยายสุราวกันนะครับนี่แหละ ประโยชน์อันนี้เราจะพาติดตัวไปถึงวันตรีมาะนะครับเอาพี่น้อง <c oughs> ถามว่าอีกอย่างหนึ่งนะมานดาของนบีมูซาเนี่ยชื่ออะไรอิสอหัยนอีลาอุมิกายมายูฮาเมื่อเราได้วัีโดนใจแก่มานดาของท่านเรื่องที่ต้องวหีหมายถึงเรื่องที่สำคัญน่ะ มีคนถามว่ามะของนบีมูซานชื่ออะไรในคุอานไม่มีแต่ต้องอาศัยตับเีตตับเซตอธิบายว่ามีอุสีชื่อของรูฮลมานนชื่อที่หนึ่งชื่อยูฮานัลยูฮานัลนะครับชื่อที่สองละยานะละยานะชื่อที่สามบาคอบาคอ ชื่อที่สีบาซักบาซักเนี่ยไม่รู้ชื่อสมัยนู้นนะ <ườ n it> ไปรู้ภาษาอะไรไม่รู้นะ ก, ก็มีอยู่4ชื่อขอทบทวนนะครับยูฮานั์ลัคยานะบาสคอบาซักซึ่งเราไม่เคยคุ้นหูเลยเอาล่ะภาษาละอัลฮัมดุลลาฮ์พี่น้องนี่นะ ถ้าเราไม่อ่านต็มเสีรก็ไม่รู้เพราะอ่านต็มเสียหูสมองก็เปิดรัมัยูลได้ความรู้เพิ่มตัวร่วมมากของนบีมูซานมีชื่อแต่เรียกกันถึงสีชื่อด้วยกันแต่ชื่อตัวไหนที่ถูกต้องวัลรอมาแล้วนะครับต่อมาอายาที่39นี่เป็นเรื่องที่ท่านนบีมูซาไม่ได้ขอแต่ Allah ให้นานึงอีนกซีฟีฟิตาบุตฟักซีฟีฟิลยัม ف َ ل ْ ي ُ ل ْ ق ِ ه ِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ ل َِ ع َ د ُ و ٌّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ทั้งหมดนี่สีเรื่องนะพี่น้องอญญาย่านี้พูดสี่เรื่องนบีมูซ่าไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์ให้สี่เรื่องพี่น้องอเดี๋ยวค่อยๆดูอินิคซีฟีฮิฟิตาบูตาบูตแปลว่าหีบอ่าทั้วตาบูบาาตาบเนี่ยแปลว่าหีบอินิคซีฟีฮิฟิตาบูคือเรื่องที่อัลลอฮ์ ให้นบีมูซาไม่ได้ขอให้ผ่านแม่เรื่องที่หนึ่งคือจงวางมูซาลงในหีบเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่ฟาโรสั่งให้ทหารฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดเด็กผู้ชายที่คลอดออกมาในตระกูลของบันีอิสรออีลฆ่าหมดเลยสั่งทหารฆ่าหมดเลย ลูกผู้ชายที่คลอดออกมาในพวกบานีอิสรออีนสังฆ่าหมดทีนี้มะของนบีมูซานะพวกบานีอิสราอีนนะเมื่อมูซาคลอดออกมาแล้วเรื่องทีหนึ่งอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ช่วยนบีมูซาไม่ให้ถูกฆ่าสั่งแม่เขาเรียกว่าวะฮีที่แม่หรือดนใจแม่ให้ทําอะไรนะให้เอามูซาลงในในหี เรื่องที่หนึ่งอัล่ลให้ท่านที่ไม่ได้ขออีนิกกีฟีฮิฟิตาบูจงวางมูซาลงในหีบเรื่องที่สองฟัตก์ดีฟีฮิฟิลยัมมีแล้วเอาหีบนั้นแล้วก็วางเขาลงในหีบนะ แล้วเอาหีบนั้นไว้ที่ไหนในแม่น้ําเอาหีบนั้นใส่แม่น้ำเรื่องที่สองคำว่าแม่น้ําเนี่ยพระเจ้าพญานะแม่น้ํานายในประเทศอียิปต์เนี่ยทำไมเอาลอนเล่าคำว่าแม่น้ําอย่างเดียวจะมาได้เบยชื่ออะไอ้ที่ไม่เอ่ยชื่อให้เราใช้พัญญาให้เราพีอ่านต้องซื้อเพิ่มจะได้ความรู้ก็ได้เพิ่มอะแม่น้ำไรนะแม่น้ำนาย ต้องอ่านตับซีรผมอ่านตั้งสามสี่เรื่มอ่านทั้งภาษาอูรดูภาษาอารับโอ้โลกแม่น้ำนายหมดเลยเรื่องที่หนึ่งเมื่อนบีมูซาคลอดออกมาอัลลอฮ์สั่งแม่ให้จับมูซาใส่หีบเรื่องที่สองเอาหีบไปลอยน้ําแม่นม้ำ เ, เขาเรียกแม่น้ํนานต่อมาก็เรื่องที่สามอัลลอฮ์สั่งหีบ ฟันยุง่งขี้หิลยามมุบิสหิลแล้วก็แม่น้ําอัลลอฮฺสั่งสั่งแม่น้ําด้วยสั่งหีบด้วยเอาไปไหนแล้วแม่น้ําจะซัดเขาลอยไปติดตะหลงอย่าลืมนะไ อ, ไอหีบที่ลอยน้ําไปติดตะหลงอัลลอฮฺสั่งนะทั้งหีบทั้งแม่น้ําละไปติดตะหลง เรื่องที่หนึ่งมูซาโอดมาให้เอาใส่หีบเรื่องที่สองให้เอาหีบไปลอยนน้ำเรื่องที่สามสั่งหีบ้าสังสั่งแม่นม้ำให้ลอยไปติดตะลิงสามเรื่องขอเปล่าไม่ได้ขอทําไมต้องติดตะลิงอะ่ะมันเกิดจมขึ้นมาละยุ่งมาะเนี่ยอลัลลอฮ์ดูแลหมดเลยนะสั่งแม่นม้ำแล้วก็สั่งหีบด้วยลอยไปติดตะลิง ข้อที่ียาขุ้ฮูอดูวุลลีอาดูุลล์ยาขุ้ฮูอดูวลลีอดูแปลว่าศัตรูยาขุ้นแปลว่าเอาศัตรูของฉันนะครับและศัตรูของมูซาจะเก็บมูซาขึ้นมาจากแม่นางใครเก็บนะศัตรูของฉัน ศัตรูของฉันคือใครดาออกไหมฟาโรฟาโรก็อาจจะเป็นลูกฟาโรเมียฟาโรหรือคนในพระราชวังฟาโรใครก็ได้ศัตรูของฉันทําไมอัลลอฮ์เรียกฟาโรว่าศัตรูเพราะอะไรสรุปง่ายๆก็คือใครที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ทรยศต่อคําสั่งอัลลอฮ์เรียกว่าศัตรูแสบเนี่ย นี่อันคุณอ่านได้ความรู้ั้ยเพิ่มเต็มเลยจากนั้นคนที่อัลลอ์สร้างเข้ามาให้อากาศสูตรโดยไม่ต้องเสียเนี่ยค่าออกซิเจนเนี่ยแล้วไม่ขอบคุณอัลลอ์เนี่ยเป็นศัตรูไหมแน่นอนครับนี่อัลลอ์พูดเลยนะศัตรูของฉันชื่อฟาโรห์แล้วก็ศัตรูของมูซาด้วยก็ชื่อฟาโรห์นั่นแหละศัตรูของฉันและศัตรูของมูซาด้วย จะเก็บมูซาเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งหมดเลยแต่รู้ตัวกันไหมไม่รู้ตัวฟาโร่ก็ไม่รู้มูซารู้ไหมไม่รู้ตอนอยู่เล็กๆอยู่ในหีบรู้ได้ไงอะนี่เล่าให้ฟังมูซาเอ๋ยอย่าทรยศต่ออัลลอฮนะ์น่ะอย่าดื้อต่อฉันนะคุณฉันให้คุณทั้งท่านคุณไม่ได้ขอเลยสักนิดหนึ่งอะ่ะให้ให้กับคุณโ อ, โอ้โหรือไม่ย่างงี้อิมานเพื่อนไหม ทำเราอ่าเรายังเพิ่มเลยเนี่ยอเนี่ย อ, อ๋ออวักัเนี่ยที่หายใจน เ, เนี่ย อ, อวักักี่ปีแล้วจสิบสามปีเราหายใจมาเนี่ยไม่เคยหยุดสักหนึ่งนาทีใช่ไม้มไม่ขอบคุณนา่ารอยอะอแตอนสะโฮดทานอาหารั้งสองจานเนี่ยไม่ขอบคุณนา่ารอยเลย อัลลอฮฺได้น้ำมาฟรีให้อาหารอัลลอฮฺหายใจฟรียักดื้อกัลลอฮฺอีกนะยักมันยังษมัมาซุบซิอีกดูสิเอานี่ขอกี่เรื่องอะไรนะเรื่องที่หนึ่งสั่งให้อโมซานั่นวางไปในหีบเรื่องที่สองสั่งให้เอาหีบลอยน้ําเรื่องที่สามสั่งทั้งหีบและสั่งทั้งละเละให้เอาหีบมาติดที่ไหนนะลอยมาที่ฝั่งเรื่องที่สี่ โดนใจให้ฟาโรสศัตรูของฉันและศัตรูของมูซาด้วยเก็บมูซาขึ้นมาในไว้ในพระราชวังสี่ข้อเลยข้อที่ห้าใช่เปล่าหนึ่งสองสามสี่ข้อที่ 1, 2, 3, ทห้บบมมนนลลา Allah เรื่องที่ห้าเนี่ยสำคัญนะและฉันได้ มอบความรักอัลกอยตุฉันให้ฉันมอบมหฮับบะความรักมินนี้ของฉันอะไรก็ให้แก่ท่านหมายความว่าใครที่เห็นมูซาตอนอยู่ในหีบนั้นทุกคนรักหมด <c oughs> ความรักนี้มาจากไหนอ่ะมาจากอัลลอสุบฮานาูวาตาเห็นยาง ตัฟซิงอธิบายว่าคนที่เปิดหีบคนแรกเป็นภรายาของฟาโรห์และฟาโรห์นี่นะไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีลูกมาก่อนคนรวยไม่มีลูกนะสังเกตนะภรายาฟาโรห์อยากมีลูกมานานแล้วแต่ไม่มีแค่นั้นเมื่อได้หีบมาพอเปิดหีบเจอเด็กพอเจอเด็กอัลลอฮ์โดนใจให้ใครก็ตามที่เห็นหน้าโมซาเนี่ย ความรักจะตามมาความสงสารเอ็นดูก็จะตามมามาจากไหนครับมาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มูซาเอย๋ยฉันให้กับคุณคุณไม่ได้ขอสักนิดหนึ่งฉันให้เนี่ยให้ใครเห็นก็รักคุณใครเห็นก็สงสารคุณใครเห็นก็เมตตาคุณฉะนั้นภรยาฟาโร่เนี่ยรักเป็นคนแรกเลยมาจากไหนความรักอันนี้มหับบรร์อันนี้มาถึงมาจากอ AH, ัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลลสอนให้นึก เหมือนกันภรรยาทีรักเราวันนี้นะ่ะความรักมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ลูกเราที่รักพ่อวันนี้ความรักมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ต้องนึกครับพ่อเราอแกแล้วอายุเจ็ดสิบเห็นเรายังรักนะ่ะมาจากไหนความรักอันนี้มาจากอัลลอฮ์สุภานอาาัลกอตาดัลฉะนั้นอายา น, นี้พูดกี่เรื่องนะห้าเรื่องเอาว่าหมายเรื่องที่หนึ่ง อัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาผ่านแม่นบีมูซาแม่เดีขอนะหนึ่งสั่งอะไรนะสั่งให้มะของมือมูซาเนี่ยจับมูซาวางในหีบเรื่องที่สองสั่งให้เอาหีบลอยน้ำอันที่สามสั่งแม่น้ำและสั่งหีบให้หีบนั้นลอยไปที่ชายฝั่งข้อที่สี่ ให้ศัตรูของฉันและศัตรูของท่านเนี่ยเก็บท่านไว้ในพระราชวางังข้อที่หใครเห็นมูซารักหมดมาจากใครครับมาจากอัลลสุบฮานหูวะตอลอาต่อมาครับข้อที่หวะลิตุสนาอลัยนีวลิตุสนาอลัยนีัยนีแปลว่า ตาของฉันตุศนาแปลว่าแปลว่าทำที่นี่หมายถึงท่านจะได้รับการเลี้ยงดูมูซาเนี่ข้อที่หกไม่ได้ขอนะท่านจะได้รับการเลี้ยงดูอะไรนะต่อสายตาของฉันอลัลลอฮ์จ้องมองดูอย่างนี้มูซาเอ๋ยใครก็ตามที่มาเลี้ยงดูคุณเนี่ยนะ อยู่ในสายตาของฉันอยู่ใต้การดูแลของฉันอลัลลอรับประกันอ้าวถามว่าคนที่ให้นมมูซานี่ใครรู้ไหมพอมูซานี่นพอจับพออุ้มขึ้นพระราชวังพะเปิดหีบเนี่ยพอเจอเนี่ยมูซาร้องอะ่ะจะกินนมอะ่ะร้องรองรองรอง มีแม่นมเสนอตัวประมาณเจ็ดแปดคนมูซาไม่กินนมใครเลยไม่กินไม่กินไม่เอาร้องรอรองร้อ ง, อ ง, องพยาฟาโรพูดเลยว่าถ้าไม่กินนมใครลลูกฉันนี่จะต้องตายแน่ๆก็เลยประกาศให้คุณไปประกาศใครที่สามารถจะมาเป็นแม่นมเชิญเลยทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่า พี่สาวของมูซานะชื่อมัดยัมนะครับแม่เนี่ยสั่งบอกลูกเดินตามไปดูซิว่ามูซาเนี่ยไปอยู่ที่บ้านใครใครอุ้มขึ้นบ้างแล้วก็ประชาชนเขาว่ายังไงพอออกไปที่ตลาดเนี่ยเขาประกาศว่ามูซาเนี่ยร้องต้องการจะหาแม่นมท่านใครเสนอแม่นมมาก็ได้และลูกสาวก็กลับไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะออกมากลัวจะถูกจับาวว่านี่เป็นพวกบันิอิสรอเองจะถูกฆ่าต่ออกีกก็เลยตัดสินใจออกมาประกาศว่าฉันจะรับเป็นแม่นมก็พาเข้าไปไว้ในพะระราชวังพราะจับมูซามาพออุ้มปับ๊บกินนมกินเลยแม่นึกได้โอ้อัลลอฮ์ดนใจฉันบอกว่ามูซาเนี่ยจะจากคุณแค่วันสองวัน แล้วก็หลังจากนั้นมูซาก็จะมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ภรรยาฟาโรห์บอกให้ให้แม่ให้ให้แม่นมเนี่ยมาอยู่ในพระราชวังแม่มูซาบอก ว, ว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านยังมีลูกอีกคนหนึ่งจะต้องเลี้ยงนมอยู่ถ้าจะให้ฉันให้นมคนนี้ลูกของคุณคนนี้จะต้องเอาลูกของคุณเนี่ยไปไว้ที่บ้านฉัน ของกลับไปอยู่บ้านนะอีกสองปีอัลลอ์อบอุนไหมอบอุนแล้วก็ได้เงินเดือนเองเงินเดือนค่านมนมนี่แผนของขของอัลลอ์มูซาเคยขอป่าวไม่ได้ขอฉันให้ฟรีๆอัลอลอฮฺอักบสมัยนี้ตัวเอนอมยอัลลอฮฺปิดปิดใจให้ตัวดีเอเออลลอพฺเปน้ังครับเห็นนะอย่างครับทั้งหมดแล้วนี้อัลลอ เล่าให้ฟังแล้วก็บอกมูซาเนี่ยถามคุณเคยขอตรงไห น, นคุณไม่เคยขอเลยเนี่ยทำให้เรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลาไปเนาะอันนี้คําถามมีอยู่ว่าอัลลอฮฺสั่งแม่น้ําได้ไหมอัลลอฮฺ Allah สั่งหีบได้ไหมได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสร้างมาเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮฺหมดนะแต่ว่าลายาดะมุตัสบียาฮูไม่มีใครรู้ว่าสรร ป, ปสิงเนี่ยสรรเสริญต่ออัลลอฮฺอย่างไร รัวไปถึงลาตุลก็ตเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างสุ้ยู่ต่ออัลลอฮ์คําว่าสู้ยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนึกว่าสู้ยู่แบบเราหลือมึงไอเรามีสามท่าท่ายืนท่าคงคงแล้วก็ท่าท่ากราบเราก็เลยนึกว่าต้นไม้คงจะแบบเรานี่แหละมึงท่ายืนแล้วก็ท่าคงคงแล้วก็ท่าสู้ยู่แต่ไม่ใช่ ส, สรรเสริญหรือว่าสู้ยูด ของสปรพสิ่งแบบไหนเราไม่รู้เลยมีเ ร, เ, รเรื่องเล่าอะอะไรนะคืนลายตุลก็จะ ต, ต้นไม้สูญยุดเลยเอาผ้าสระบับนไปแขวนนูน่นยอดไม้นั่นอันนี้เรื่องโกหกทั้งหมดไอ้คาวาตสบีหรือสันเสริญดูเะสูญยุดของมรคลูกเนี่ยไม่รู้ว่าแบบไหนนะนีนะ่สั่งเรือใช่ไหมสั่งหีบให้ลอยนะ้ำไปติดที่ชายฝั่งนี่เห็นยังอะ นะนั่นมาถึงสูยุตของมัคลูบแล้วตัสบีตออ่ออัลลอฮ์แล้วสาะเสดอลัลลอฮ์แล้วนะครับอย่างดีเป็ตนต้นสรุปว่าเรื่องของนบีมูซาที่ไม่ได้ขอนะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเคยขอบางมูซ่าไม่เคยขอใช่ไหมฉะนั้นเลยสอนนบีมูซาให้นึกถึงเนี้ยอำนาจของอลัลลอฮ์เยอะๆสอนเราวันนี้เหมือนกันเราวันนี้นะ่ยผ่านพ่อผ่านแม่ผ่านนู่นผ่านนี้ ผ่านมกกาคาผ่านอินเดียผ่านลาขนาวผ่านเดียวบันต้องขอบคุณอัลลอฮ์ผ่านอลิกาอุนิเวอร์สิตี้ผ่านมาหมดนะชีวิตนะแล้ววันนี้แย่แล้วอยู่ที่บ้านต้องนึกถึงเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ Allah ให้มาหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศก็มีเห่ไหมทำอยู่เลยเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลเอาพี่น้อง คำว่าวาลิตุสนาอะไรนีเมื่อมูซาได้รับการเลี้ยงดูอบรมต่อสายตาของฉันหมายความว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ใครจะอบรมอัลลอฮ์จ้องมองดูตลอดเวลาคืออัลลอฮ์จะดูแลรักษามูซาตลอดไปไม่ใช่มูซาคนเดียวนะเราวันนี้อัลลอฮ์ก็ดูแลนะคําว่าซอนาตูฟารอซีครับอธิบายคําว่าซอนอาเนี่ย ลิตุสนามาจากคำว่าซอนาอ่าซอนาประโยคนี้แปลว่าเลี้ยงซอนาตุฟาโรซีฉันเลี้ยงม้าและฝึกม้าของฉันอย่างดีถ้าซอนาตุอาลาอานี้ฉันเลี้ยงดูมูซาฝึกมูซาอบรมมูซาอย่างดีรู้เปล่าฟาโรอบรมมูซาเก่งด้านการเมือง พราฟาโร่เรื่องเรึ่งคุมหยิบอย่างเดียวฉันปกครองปกคองโมซ่านั่งฟังทุวันเลยปกครองป ร, ประเทศเป็นยังไงนุ่นเป็นยังไงเอี่เป็นยังไงได้รับความรู้ผ่านฟาโร่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าฟาโร่ขาดอย่างเดียวไม่ยึดอัลลอฮ์ส่วนโมซ่ายึดอัลลอฮ์สุบฮานาะฮูอ่านแล้จึงมีโอกาสได้มาสอนฟาโร่ได้อีกครั้งหนึง่งส่วนความรู้ด้านดุลยาเนี่ยฟาโร่สอนในโมซ่าเต็มไปหมดส่วน ความรู้ด้านอาครอจิบรีลงมาเป็นดเรเตอร์ให้กับนบีมูซาอะลัยฮสลาอ้าพี่น้องอะยะสุดท้ายนะครับอิซตัมชีอคตุกฟะตูลุฮลัดุลลุุมอะลายัฟุล فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وفتن ن ف س ا فنجدنك من الغم وفتنك فطونا فلا بث سنين في أهل مديان ทุ่มมาจ้าตาอแล้วคดรียามูซานี่ก็เป็นนิ้อม m a t ที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาไม่ได้ขอนะครับอิตตัมชีอุกตุกะพี่สาวอุกตุกะแปลว่าพี่สาวของนบีมูซาเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อมัดยามตัมชีแปลว่าเดินตามฝั่ง แม่น้ำเพื่อไปดูว่าใครเก็บหีบขึ้นอิสตัมชีขณะที่พี่สาวของโมซาชื่อมาริยมเดินตามฝั่งสังเกต ด, ดูว่าใครเอาหีบขึ้นไปบ้างฟาตาคูลูฮัลอาดุลูกุมาเลไมยักฟูลูพี่สาวของท่านพูดกับพวกมาถึงคนประชาชนพูดว่าไงนะ พลอดุลูกุมาลาไมายักฟูลูจะให้ฉันแนะนําคนที่จะเลี้ยงดูมูซาไหมอ่านี่มูแม่พี่สาวของมูซาไปหาประชาชนแล้วก็ถามว่าจะให้ฉันเนี่ยแนะนําคนที่จะเป็นแม่นมเลี้ยงมูซาที่เก็บไว้ในวางไหม เอาขึ้นมาจะาหีบไหมใครแนะนํานะพี่สาวของมูซาชื่อว่ามาริยมนี่ไหมนี่เป็นเนื้อมัตนะที่อลัลลอฮ์ให้กับนนะบีมูซาผ่านใครนะผ่านพี่สาวโดวยมูซาไม่ได้ขอสักนิดหนึ่งให้พี่สาวไปถามว่าเอา้าฉันจะหาแม่นมมานะครับเอาแม่นมมาอามาเลี้ยงดูเอาไหมจะเอาแม่นมเอาไหมนี่พี่สาวของมูซาเอง นะครับไปพูดกับประชาชนฟราร์ยะนากะิลาุมมิกะดังนั้นเราได้กลับคืนร์ยะนาแปลว่าส่งคืนหรือส่งกลับเราได้กลับคืนมูซาสู่ใครกิลาอุมมิก้สู่มารดาของท่านเห็นไหมจากไปวันสองวันเสร็จแล้วพี่สาวออกไปตามหาถามว่าต้องการแม่น ม, มั้ย เขาก็ต้องการแม่นมเลยพอต้องการเสร็จแล้วเอาล่ะนะฉันได้ส่งลูกของท่านกลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมฟรารจญาณ่าก็อิลาอุมมิกะเอามมซามาอยู่กับแม่นะ่ะได้อะไรกายตะก็รอไอโนฮาเพื่ออะไรนะเพื่อท่านจะได้เป็นที่เย็นแกสายตา ใจจะได้สบายอยู่ใกล้ลูกสบายไหมสบายแม่เนี่ยถ้าลูกมาอยู่จึงแม่ลูกกำลังกินนมอยู่กำลังร้องไห้อยู่ถ้าจากไปเนี่ยคนที่ทรมานคือแม่นะ่ะแต่ที่พอได้ลูกมาแล้วนะ่ะหายไหมโอ้สบายใจนี่เอาเล้อเล่าเลยนะไกลตะก้อรอยนู่หาเพื่ออะไรนะจะได้เป็นที่เย็นตาแก่สายตาของท่านของแม่ของนาง แต่ต่อมาอีกวดาตาจันและนางจะได้ไม่โศกเศร้าอัลลอฮ์ น, นี่เห็นไหมให้กับมูซาโดยที่มูซาไม่ได้ขอเห็นไหมให้มูซามาอยู่ในอ้มอมอกของแม่และแม่จะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนี่แผนของอัลลอฮ์หมดเลยเอาต่อมาคิ ว่ากตัลตนัฟสัมฟนใจนากกมินลัลภมิแล้วต่อมาเนะี่ยมูซาเป็นหนุ่มอายุสิบกว่าขวบแล้วประมาณส7บเจ็ดขวบแล้วมั้งตอนนั้นก็รังแข็งแรงแล้วนะมูซาเนี่ยไปต่อยอคนไปคนเนึ่ยสายเหตุเพราะว่าท่านออกไปในเมืองไปมีคนบนิอิสรอีนกับคนอียิปต์เนี่ยทะเลาะกัน คนบริอิสโลอีนเห็นมูซามาก็าเรียกเอ้ยมาช่วยฉันหน่อยอะ่ะไอ้ น, นี่ไปไปไ ป, ไปต่อยเนี่ตายอะ่ะแสดง ว, ว่าแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะว่กากอตันนัฟซันโมซ่าได้ฆ่าชายอียิปต์คนหนึ่งฟานาจยนาะแกมินลลอมมีและเราได้ช่วยโมซ่าให้พ้นเห็นไหมต่อยคนนะนะตัวทั้งตายเลยนะนะอลัลลอฮ์ยัง ช่วยให้มูซาพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจ ม, มังมูสฟาโรตามหานะ่ะต้องการจะจับมูซาพราะไปฆ่าพวกอียิปต์พวกของฟาโรแล้วมูซาเป็นพวกของบรรดอิสราเอลดูมันทํถ้ามันทำเลยใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ก็คุมของไม่ให้มูซาถูกจับให้มูซาอพยพไปอยู่เมืองก็ได้เมืองมัดยันหนีไปเลยไปอยู่กี่ปีสิบ ีอัลกรุรอานเล่าต่อมาต่อมาครับว่าอตัลตะนัฟซาท่านเนี่ยได้ฆ่าชายอียิปคนหนึ่งโดยบังเอิญขณะท่านไปช่วยป้องกันพวกบนิอิสร อ, อีนด้วยกันฟานัทยานากกมินลรอมมีและเราได้ช่วยมูซาให้พน้นจากความเศร้าโศกเสียใจปัญหาที่มีอยู่อลัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยไปอยู่ที่อื่นสบายมาแล้วต่อมาครับ ว่าฟัตัณนานะกาฟตูนาะตรงนี้ต่างหาจะต้องอธิบายเยอะๆวาฟัตัณนานะกาฟูตูนาะและเราได้ลองใจได้ทดลองฟัตัณนานะเราได้ฟิตนะเราได้ใส่ฟิตนะเราได้ทดลองได้ลองใจมูซาด้วยการทดลองต่างๆนาะนาะวักนี้ต่างหาต้องอธิบายแต่ไม่ใช่วันนี้ ต้องเป็นอาทิตย์หน้าแล้ววาฟตันนากาฟูตูนาะอัลลอฮ์ได้ทดสอบหัวใจทดลองหัวใจของมูซาหลายๆเรื่องทุกคนเราทดสอบหมดนะเราเองกนะี่เรื่องเลยกระ <c oughs> ทั่งวันนี้เนะี่ยถูกฟิตนาเต็มไปหมดมูซาเต็มไปหมดเลยทุกคนมีฟิตนาเรื่องเราดทดสอบทดสอบทดสอบหัวใจเนื่อให้รู้ว่าอีมานแก่งหรือไม่แก่ง ทดสอบทีหนึ่งอีบานเพิ่มไหมอาจจะแต่งงานกว่ามีปัญหาตอนจะตายกว่ามีปัญหาตอนอยู่กว่ามีปัญหาเพื่อทดสอบหัวใจว่าเมื่อลามีปัญหาแล้วเอาอะไรมาแก้เอาอิสลามมาแก้หรือเอาอารมณ์มาแก้หรือเอาอะไรมาแก้เอาความรู้จากไหนมาแก้ถ้าแก้ตามที่อัลลอฮ์กำหนดได้ผลละบุญถ้าไม่แก้ตามที่อัลลอฮ์กำหนดขาดทุนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับ กว่าฟตา น, นะกับฟุตนะอะตอมากับฟาลาบิตาสตะตีนีนาฟีอาลีมาดยันและมูซาเนี่ยได้อยู่ที่ไหนครับมูซาได้อยู่กับชาวมาดยันหลายปีคำว่าหลายปีอลัลลอฮฺมันด้บอกกี่ปีในะทัฟซีอธิบายกี่ปีนะสิบปีสัญญากนันว่าแปดปีถ้าทำเพิ่มเป็นเป็นสิบปียิ่งดีใหญ่ คำถามมีอยู่ว่ามูซาทำอาชีพอะไรตอนตอนตอนตอ น, ตอนอยู่ที่มัตยันนะเลี้ยงแพะนบีชูอีบอยู่บ้านนบีชูอีบนะนบีชวอนะีบก็เป็นนบีมูซาก็เป็นนบีจะเป็นนบีในอนาคตนบีกับ น, นบีอยู่กันในบ้านเดียวกันสองคนคิดดูสิแล้วก็เลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะทําไมต้องเลี้ยงแพะเพราะแพะนี่เป็นสัตว์ที่ซนที่สุด ระใจเราก็ต้องตามมันให้ทันที่สุดถ้าตามมันทันสแกกสดงวศบัตของคนนี้สูงมากถ้าไม่สวบัตจะตีตายเลยนะฉะนั้นคนที่จะเป็นนบีจะเป็นผู้นําคนต้องสวบัตสูงเพราะขนาดเลี้ยงแพะไม่ตีแพ้ก็ชั้นหนึ่งแล้วนะถ้าอยู่กับคนเนี่ยไปนองถ้าคนมันดื้อด่ามั่งอะไรบ้างถ้าเราไม่สวบัตไม่ อ, อดทนเราทะเลาะกันตายเลยไปนอนฉะนั้นต้องสวบัตสูง ฉะนั stomach, ้นผ่านการเลี้ยงแพ้เนี่ยดีที่สุดเพราะเป็นสัตว์ที่สนที่สุดแล้วก็หูสารพัดที่สุดแต่พี่น้องอ้าวอัลลอฮ์เล่านะท่านท่านให้ให้ท่านอยู่ท่านไม่ได้ขอนะฟาลบิสตาซีนีนาฟีอาลีมาดยันแล้วก็ท่านอยู่ที่เมืองบันดาญานหลายปีซุมมาจิตาลากรดิอาโมซาและมูซาก็ได้กลับมากลับมาประเทศอียิปต์ ตามพระกําหนดโอ้มูซาเออรอัลลอฮ์กำหนดไว้ตามนี้คุณก็จับมาตามที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วมูซาเออร์เสรแล้วกลับกลับกลับอียิปต์ไหมกลับอียิปต์กลับมาทําไมกลับมาทํางานศาสนาตอนอายุยี่สิบเจ็ดสายเวลาตอนไปลายอายุสิบเจ็ดไปอยู่สิบปีก็ยี่สิบเจ็ดพอเรามาแต่งงานอายุย่สิบเจ็ดัก็ดีเหมือนกันนะแต่นาบีทําว่ายืมมาใช่ไหม س ب ح ا ن ا ل ل ه و a ا وبيحمديك واسلام ا ل ل a إلّا أنت أ س a s ف ر ك a أ ت a ب إليك وسلام عليكم و ر ح م r ا ل ل a و a ر ك ا ت ه